ขอความสุขความเจริญจังวีเดท่านสาธชนทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาเป็นเดือนวิสาขบูชาก็เรียกเดือนวิสาขาจะเรามาประรบการประสูทธ์สัสรูณปปิพานของพรทไจา จะมีพิธีทำสักการะูชากันในวันวิสาขะถึงใครจะนำเอาเรื่องของชาติกรถาคือเรื่องของความเกิดที่เราใช้กำว่าประสูตย์ของพุทธเจ้ามาประรกันในหลายปีมานี้มีการเผยแพร่ในรูปเอกสาร แล้วบอกว่าที่จริงพระเจ้าประสูติสัจฺรุนิพานนั้นก็คือในวันเดียวในวันที่สัสรุนั่นเองก็คือประสูติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยการสัสฺรุแล้วก็นิพานโดยกิเลสนิพานหมายความว่า ก, ก็เสร็จจึงก็ปฏิเสธหลักที่ท่านนาสืบกันมาตั้งแต่โบ ร, ราณ แต่การสารพุทธศาสนา น, นั้นถ้าเราจะให้เข้าใจโดยท่องแท้เนี่ยฮะต้องมองให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรบนท่านสรุปการศึกษาไว้เป็นสามแนวเดียวนึงเรียกว่าเป็นปนัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าก็เป็นคนน่นะฮะก็มีพ่อมีแม่แต่ต้องมีการเกิดแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆมา จกว่าจะเป็นการตรัสรู้แล้วก็การปรณิพาตมันเป็นวิธีชีวิตของคนคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอัศจรรย์คือไปตรงกันในวันเพ็ญวิสาขาทำจันทรกติเป็นเดือนหกด้วยกันปนัาตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ว่ามันจริงอย่างนั้นจริงหรือ คือระหว่างวันประสูตรกับวันจัตสรูที่ห่างกันสามสิบห้าปีแะวันจัตสรูกับวันรุนิพานที่ห่างกันสี่สิบห้าปีแะวันประสูตรกับวันนิพานที่ห่างกันแปดสิบปีเนี่ยมันเป็นวันเพนนนิหกจริงหรือตำหลักวิชาโหราศาสตร์ที่มีการคำนวณกันแล้วก็มีตำราปรากฏอยู่ในเมืองไทยเล่มบลล์ล่มลงอย่างนั้นจริงจริง เราแสดงเอห้เห็นว่าในแง่ข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เมื่อปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์เราอธิบายเป็นธรรมทิฏฐานไม่ได้ถ้าจะอธิบายก็อธิบายเป็นธรรมคือคติธรรมที่เราจะได้จากเรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่ไปไปปฏิเสธหลักฐานในแง่ของประวัติศาสตร์ พปฏิเสธหลักฐานในแงร่รอติศาสตร์ในความมีของพระพุทธเจ้าบังเกิดไม่มีไปด้วยคือไม่มีตัวตนไปด้วยไม่มีเจ้าชาติดถาไปด้วยเลยยุ่งกันใหญ่เะที่เป็นเรื่องซึ่งต้องระวังแล้วก็เป็นคําเล่าของพระพุทธเจ้าเองมีปรากฏอยู่ในที่ต่างๆมากอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะ หมายความ่ธมาธรรมะเหล่านั้นสามารถพิสูจน์ทดสอบได้หรือไม่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้วันสื่อ น, นี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็เป็นอนดีตนักการเมืองผู้ว่ามือปราบท่านมีหนังสือมาบ่อยวันก่อนนี้ก็มีมา สุดมากจะวิภาควิจารนะฮะสังคมแจะบอกว่าพระเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมะในเชิงที่เป็นเนื้อหาแต่ว่าเข้าใจในเชิงที่เป็นรูปแบบคือเป็นอย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าแม้แต่ริยสัตต์เองที่จริงโดยเนื้อหาก็เป็นเรื่องของสองเหตุสองผลเป็นเรื่องปัญหาก็เหตุเกิดของปัญหากับการไม่มีปัญหาแล้วก็ ก็วิธีในการแก้ปัญหาท่านเล่าถึงว่าไปคุยกับผู้ใหญ่พอท่นานอธิบายอริยสัจแบบธรรมดาเข้าท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็โรกรธรู้ขึ้นกลับไปเลยอันที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมดา ก็เรียกว่าเป็นสุทธธรรมาภวัตตันติคือธรรมล้วนๆที่มันหมุนไปเป็นกระแสของธรรมะแม้แต่ชีวิตเราที่จริงก็คือกระแสของธรรมะอริยสัจมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบกินข้าวอาบน้ํากินยาเนี่ยฮะมันเป็นวิถีชีวิตธรมธรมดาธรรมดานันอยู่ในโครงสร้างของอริยสัจทั้งหมด อันนี้ก็คือปัญหาข้อที่จริงในแง่ของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่พระเจ้าตรงใช้คำว่าธรรมะทิตตาธรรมนิยามาตามมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติกันมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติเป็นอุตุนิยมเป็นเงื่อนไขของฤดูเป็นกรรมนิยมเป็นเงื่อนไขของกรรมเป็นธรรมนิยมเป็นเงื่อนไขของธรรมเป็นพืชเป็นพืชชนิยมเป็นเงื่อนไขของชนิดนั้นๆ หมายความว่าตรงนี้มันเป็นทุเรียนเนี่ยเราทํำยังไงดีจะไม่ให้เป็นทุเรียนไปไม่ได้มันมันพืชมันเป็นอย่างนั้นในความเจริญเติบโตรสชาติของทุเรียนมันก็อยู่กับเงื่อนไขของอุตุคือของสภาพดินของสภาพแวดล้อมมันก็มีเงื่อนไขต่างๆมันเป็นกระบวนการการทำมาติเพราะในแง่ของธรรมะมันก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะ จสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่าทรงแสดงไว้อย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นี่หนึ่งเป็นปัญหาข้อที่จริงในเรื่องปาฏิหารปาฏิหารที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุแต่เราไปดูตอนที่เป็นผลเราไม่คิกว่าตรงเนี้ยที่จริงมันมีเหตุหรือเบื้องหลัง แค่กับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปโทษตัวปรากฏการณ์เราไม่นึกว่าปรากฏการณ์นั้นมันเป็นผลเฉยๆก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดอย่างนี้แกเขาเกิดอะเราก็ห้ามเขาไม่ได้มันเหมือนกับฝนตกน้ําท่วมฝนก็บ่นกันยังไม่ไหายมันจะบ่นมาทำอะไระนะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันปฏิหารจะมีอยู่สามลักษณะ ลักษณะนนหนึ่งเป็นอิทธิปฏิหารคือความสาเร็จตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆบางทีมั น, นก็เป็นเรื่องโดยกาเนิดของเขาว่าเราจะว่ายไงนกบินได้ปลาว่ายน้ำได้ไส้เดือนอยู่ในดินได้กบจาศีลได้มีกินอาหารถามมาทำไม ก, ก็ไม่รู้มันมั น, ม, น, ม, นมันเป็นกาเนิดของมันเงนั่นแหะมันเป็นความสาเร็จโดยกาเนิดของมันเดี๋ยวไม่มีคาอธิบาย บางทีก็เป็นความสำเร็จโดยวิชาความรู้บางทีเป็นความสำเร็จโดยการฝึกปลื่อเอาคนนี้ทำได้เราทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความสิ่งนั้นไม่มีเพราะาสิ่งนี้มันเกิดจากการฝึกเอาอเช่นพว ก, กรีทาทั้งหลายซึ่งมีคนทำได้นะเป็นแชมป์โลกกันได้แต่เราทำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครทำได้มันอยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าฝึก ก็สามารถทําได้จะทําได้ดีหรือไม่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ในเงื่อนไขของการฝึอกอีกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์จะเ่องความสําเร็จในด้านต่างๆฤทธิ์ก็แปลว่าความสําเร็จแต่นั่นเองนะฮะมันเป็นผลซึสืบเนื่องมาจากเหตุแล้วก็มีอยู่เป็นอันมากอย่างในวิสุทธิมรรคในจําแนกจําแนกไว้ตั้งสิบประเภทด้วยกันมันมีกระบวนการของมันดังนั้นเลย ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะต้องมีเงื่อนไขอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผ่านขั้นตอนมาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันก็เป็ดตึงหมายความว่าใครปฏิบัติอย่างนี้ผลก็จะออกมาตามที่ได้แสดงเอาไว้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของผลจะมากหรือน้อยมาขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาและการฝึกของเขาอีกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอาเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจคนเข้าใจใจิตใ จ, ใ จ, ใจคน แตที่จริงอาจจะอ า, อาจารย์อายการสังเกตอาจจะอาศัยการพิจารณาอาจจะเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรต่อไรเนี่ยเราเห็นว่าอย่างแนวสี่ห้ามันก็คือแนวเราเรารู้ใจเขาเราเข้าใจเขาว่าชีวิตท ร, รัพย์สินคู่ครองเนี่ยเราไม่ต้องการในใครล่วงเกินบ้านคนอื่นมันก็เหมือนกันนั่นก็แนวอธิษฐานาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจเข้าใจคนอื่นซึ่ง ลึกจนถึงกับรู้ความคิดจิตใจใ น, ใ น, ในแต่ละขณะที่เป็นเครื่องมือประกอบในการเทศของพระางแต่ก็อาเทศนาปฏิหารเรื่องความอาศัศจรรย์ของคำสอนถึงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของคนผู้ฟังแต่ว่านั่นคือสัจธรรมที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะไปรวมในที่เดียวกันรเราจะเห็นว่าผลศีลผลสมาธิผลปัญญานั้นเหมือนกัน ปฏิบัติโดยวิธีใดก็ได้แต่ผลมันจะเหมือนกันผลสมถะกรรมฐานก็สงบนิวรณ์ได้เหมือนกันถ้าเป็นผลนี่ยนะฮะผลของวิปัสสนาก็ละตนามานาทิจิได้เหมือนกันเห็นแจ้งตามใจรักเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมบูรณ์มันก็หมดกิเลสเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าใ้ฟังว่าพระญาบุคคล น, นั้นท่านอาจจะต่างกันเยอะในเรื่องต่างๆที่ได้เหมือนกันแน่นอนก็คือหมดกิเลส คือละกิเลสเดียวกันเรีว่าเป็นขีณาสกด้วยกันคือมีอาสวะหมดไปด้วยกันส่วนปีกย่อยมันก็มีแตกต่างกันบ้า ง, งนะครับเพราะว่าบารมีเป็คนเราที่สร้างมานั้นไม่เหมือนกันตอนการศึกษาเรื่องประสูนย์ของพระเจ้าคือประสูนย์จริงๆคือคลอดออกจากคันของพระนางเทหมามายาจริงๆไม่ใช่ไปพูดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นท่านตั้งก็มั่ว ประวัติศาสตร์มันก็ยุ่งหมดเลยและที่สำคัญอย่างยิ่งคือคำว่าเกิดนี่พระพุทธเจ้าท่านใช้หมายถึงการเกิดเกิดจริงๆที่เราเกิดเนี่ยคนเกิดสัตว์เกิดเนี่ยแล้วก็เกิดโดยกําเนิดทั้งสี่ประการการเกิดนั้นจะมีกําเนิดดูสีเท่านั้นเองอย่างที่เราสวดนะาเนิดสี่คติห้าอะไรแต่ไรขันหน้าขันหนึ่งขันสี่ในในในปุญญสดา นั่นคือการเกิดเกิดในคันอย่างคนอย่างสัตว์บางอย่างนี้เกิดในไข่อย่างไก่อย่างเป็ดอย่างนกเกิดในสิ่งสกปรกอย่างเชื้อไวรัสต่างๆพวกตัวนอนต่างๆแล้วก็เกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะแต่แก่พวกอมนุษย์ทั้งหลายยกเว้นสัตว์ดิชฉันเกิดโดยโอปปาติกะคือคือเกิดมาก็มีรูปร่างกายเลย แล้วก็เป็นวิญูชนเลยแล้วพอตายก็ไม่ทิ้งซากน ะ, ะการเกิดนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการจากความเป็นทารกเรียกว่าเกิดเป็นวินญูชนเลยก็ได้แก่พวกอบายสามพวกเปรตพวกวัศุกายพวกสัตว์ต่รบพวกเทวดาพวกพรหมเวลาตายก็ไม่ทิ้งซากมันก็หายไปเลยเป็นอากาศระทัดไป อันนี้ก็เป็นเป็นความเกิดที่ทรงแสดงไ้แล้วก็เกิดมาแล้วมันก็มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ขันห้าก็คือเช่นคนเช่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ขันห้านะมีขันหนึ่งนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติบาเพ็ญสมาธิท่านเรียกว่าพุ่มลูกฟักสานวนบาลีท่านเรียกว่าสัญญิสัตตาเป็นคนที่ได้บรรลุฌานแล้วท่านนั่งดับ คือเข้าสมาธิดับนะแล้วไปเชื่อมโยงกับการนิพพานของพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นนิพพานระหว่างฌานไม่ใช่นิพพานในฌานถ้านิพพานในฌานพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพรหมคือ เ, เกิดเป็นพรหมแต่พระเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานคือเข้าฌานตั้งแต่หนึ่งถึงแปดนะแล้วก็กลับ จากแปดไปถึงหนึ่งแล้วกลับจากหนึ่งไปถึงสี่ก่อนจะเข้าฌานที่ห้าเนี่ยเข้าจากอรูปฌานที่หนึ่งนะฮะพระเจ้าก่นอนนิพานเขาเรียกว่านิพพานระหว่างฌานจึงไม่ได้เกิดเป็นพรมเพราะจ ะ, ะถ้าตายในในฌานไม่ว่าไม่ว่าใคก็ตามนะฮะจะเกิดเป็นพรมตามต้องควรแก่ฌ า, านที่ท่านที่ท่านที่ท่านเข้าตายพวกนี้ถ้าถ้าเรามองถึงหลักวิชาแล้วจะเชื่อมโยกันหมดเลย คือพูดเรื่องอะไรก็ตามมันมันมันจะไปปรากฏในที่ต่างๆเยอะแยะไดเรียกว่ายันกันตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากการสัตรูแล้วก็ส่งแสดงของพระพทุทธเจ้าวการเกิดของยะชายติตะกะก็คือเกิดจริงๆเกิดอย่างที่เรารู้นั่นนะเกิดจริงๆ ทีนี้ปัญหาที่เรามาชื่นชมกันมากนั้นจริงเราจะเห็นว่ามันก็สืบเนื่องมาจากการศัตรูและการสอนธรรมะทำให้เราย้อนกลับไปสู่การเกิดมันก็เหมือนกับคนเราที่ทำความดีอะไรมากมายกลกองแล้วเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สืบสาวประวัติภาษาประวัติมันระสาวย้อนอนดีตนะฮะลูกตาหลอกใครมีความเป็นมาอย่างไงแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเราย้อนไกลกว่า น, นั้น ว่าทำไมเกิดมาในราชกุลสุริยโคตรหรือคัวตมโคตนั้นในสมัยโบราณนะฮะราชวงศ์ของชมพูทวีปสมัยก่อนแล้วที่จริงเราถ้าดูโลกแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าญี่ปุ่นหรือไทยพวกเอเชียทั้งหลายหรือแม้แต่ยุโรปเองเอจะเอาตัวเองไปผูกพันกับพระจันทร์พระาชิต์ เราจะเห็นว่าพวกกรีกพวกโรมันพวกยุโรปเนี่ยอพอลโลเนี่ยอพอลโลก็คือสุริยเทพนะฮะพระอาทิตย์แล้วก็มีเรื่องของพระจันทร์นะแม้แต่อะไรครบรีก็มีสุริยันจันทรามีอะไรแต่ไรเนี่ยมั น, ม, นมันจะหมุนวนอยู่ตรงนี้นะฮะมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่คนคุ้นเคยมากแล้วก็พยายามที่จะทําตัวเองให้เชื่อมต่อกับพระอาทิตย์พระจันทร์ พระราชวงศ์มันก็มีอยู่สองราชวงศ์ใหญ่ๆคือสุริยวงศ์เป็นเชื้อสายจากพระอาทิตย์บุญเจ้าเราเรียกว่าโคตมาโคตหรือสุริยโคดนะครเป็นวงศ์พระอาทิตย์คือว่าเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์หมายความราชวงศ์ทั้งหลายนั้นสุริยโคดเป็นกษัตริย์ที่สูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเดี๋ยวด้เคยบอกอันนี้เป็นเป็นเป็นตำนานพราหมณ์อีกทีนะครัเป็นอีกศาส์สนาหนึ่งเดี อยูพวกพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าพวกวันนาทั้งสี่กัตย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยพวกกษัตริย์เนี่เกิดมาจากอุระหรือพาหาอกอกหรือแขนนะฮนะอกหรือแขนของพระพรหม พ, พวกพราหมณ์นั้นเกิดมาจากพระเศียรของพระพรหมแต่ว่ามีโคอีกคนหนึ่งชื่อธนัญชานีโคร ที่เราเคยพูดเรื่องนางธนัญชานีพราหมณีนะฮะที่ที่ที่พลังพลาดเผยเรืออะไรก็นโมตสระเรื่อยเนี่ยท่านผู้นี้เป็นธนัญชานีโคตรมันเหนือโคตรพราหม์ทั้งหลายคือเกิดจากกระหม่อมของพรหมตํานานศาสนาพราหมณ์พวกแพทย์ก็เกิดจากพรารือตักพวกสูตก็เกิดจากเท้าเพราะในบรรดากษัตริย์ที่เกิดจากอุระหรือพาหาของพระพรหมเนี่ย สุริยเทพบุตรสุริยเทพคือบุตรของประอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดเจ้าชายสาก็เกิดในราชวงศ์นี้เรียกว่าโคต ร, รมาโคตรหรือว่าสุริยโคตรเป็นเชื้อสายของปราทิตเป็นกษัตริย์สุกุมาราชาติคือสื่อเชื้อสายวงศวานว่าเรือมาตลอดนะฮะเป็นกษัตริย์ ที่เรียกวอุปโตสุชาติคือบริสุทธิ์กันทั้งสองฝ่ายรูปร่างหน้าตาพิเศษทีนี้เราถ้าถ้าถ้ามองถึงสมบัติสี่นี่มันมันสมบูรณ์อย่างที่เคยพูดเรื่องสมบัติสี่สมบัติสี่ตามปกติหาคนสมบูรณ์ไม่ใครได้แต่เจ้าชายติระท่านสมบูรณ์คือก็ เ, เรียกว่าคติสมบัติพบที่เกิดสกุลที่เกิดสถานที่เกิดเขาเรียกคตินะฮะ ก็เป็นกษัตริย์สุกุมารชาตดังกล่าวอุปธิสมบัติรูปร่างหน้าตาสุขภาพพรารมณ์ใหม่สมบูรณ์ด้วยหมาปริษะลักษณะ ส, าสารรสองประการไม่มีผู้ชายได้ในโลกนี้นะฮะทีดีๆจะมีครบสามองประการแล้วการสมบัติยุคส ม, มัยที่คนเนี่ยสนใจในทางธรรมะ ก, กันมากก่อนหน้านั้นยังมีราชกุมารออกผนวด แล้วก็เป็นศาสดาในศาสนาเช่นคือวัธมานหรือมหาวิระสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปพวกวันนะถูกลดความสัมพันธ์ลงไปพวกกนาจารย์เจ้ารัชชิมีบทบาทในสังคมสูงหมายความว่าคนจะวันนะใดก็ตามมาเจอกับนักบวชก็เป็นลูกศิษย์ของนักบวชแสดงว่ายุคสมัยนั้นเป็นยุคที่คนสนใจธรรมะมากผู้ธรรมะกันลึกซึ้งนะ ความคิดความอ่านของคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาฟังแล้วน่าทึ่งน่าจจังวันก่อนไปดูรายการชีวิตนี้ยังมีหวังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายเาเาุเขาเขาายัางไม่ถึงยี่สิบเลยนะมันมีคำตอบที่คมมากๆม า, มาโอโหโอเด็กนี้น่าดูเลยพิธีกรถามว่า ในชีวิตของของหนูนี่อะไรที่เป็นความทุกข์มากที่สุดเนี่ยแกบอกว่าทุกข์เพราะความมีชีวิตนะฮะไม่เบานะชาติมีทุกขา์าไม่เบาเลยคือสรุปว่าแกบอกถ้าไม่มีชีวิตความทุกข์อย่างอื่นมันไม่มี น, ะนั้นความทุกข์ใหญ่ก็คือชาติทีทุกข์นะฮะแต่พูดสำนวนศาสนาคือชาติทีทุกข์ เห็นไหมฮะว่าพระพุทธเจ้าเองก็มองในแง่ของชาติทุกนั้นมันมาจากชาติมันมาจากความเกิดอย่างอื่นมันมันเป็นผลพวงจากเกิดเท่านั้นเด็กนี่แสดงถึงความโน้มเอียงการสนใจศึกษาธรรมะจนเข้าใจชีวิตในรูปของกระบวนการว่ะทั้งนี้ถั้งนั้ไม่ว่าอะไรก็ตามมันมาจากเราเกิดมาเท่านั้นเด็ สํานวนศาสนาจึงมีอยู่สอีกสํานวนหนึ่งที่เวลาผลอันตรายอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นโทษของวัตตะคือไม่ต้องโทษใครจะโทษคนนั้นคนนี้โยนความผิดไปคนนั้นคนนี้ไม่ถูกหรอกที่จริงมันมันเป็นเรื่องของวัตตะเรียกว่าโทษของวัตตะวัตตะก็คือการหมุนวนอยู่ในตังสารวัตของเราถ้าเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะแต่พอเราหมุนวนอยู่ในกระแสะของวัตตะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่เบาเลยนะฮะ ไม่บอกเป็นความคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยเพราะเราเห็นว่ากาลนี่สมบัติสมบูรณ์มากมากแล้วต่อไปคือประโยคะการประพฤติการกระทาของพระองค์เป็นชีวิตที่หลังจากประสูติมาแล้วนะเราเจเห็นว่า เป็นการมองโลกมองชีวิตด้วยปัญญาเข้ากํากับตลอดมีการประกอบกระทําในแนวที่ไม่ยึดไม่ติดนะไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยประพฤติกระทํากันมาแต่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรท่านก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะมันสมบูรณ์หมดเลยสี่อย่างนะฮะก็ เ, เรียกว่าคติสมบัติคือสมบูรณ์โดยคติที่เกิด ต่ะกูลที่เกิดพบที่เกิดท้องทิ้นที่เกิดอะไรแต่เดีมันดีหมดอุปธิสมบัติรูปนะ้สุขภาพาปรลานามัยดีมากแข็งแรงมากเขาว่ากันว่ามีเรี่ยวแรงมากนพะระพุทธเจ้าแล้วก็การสมบัติยุคสมัยดีมากคือคนเราถ้าเกิดมาผิดยุคผิดสมัยสมมุติว่าเรา มีมีใครเกิดมาจะตัดรู้ขึ้นมาในยุคนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะถูกจับฆ่าเป็นผีบุญไปก็ได้แต่ก็มีตัดรู้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีพระศาสนาอยู่สมมุติเอาอ่ะเราจะเห็นว่ายัางพวกพวกพว ก, พวกมเมสไซ อ, อ, าา ร, อ ร, ร์ของาศาสนาคริสต์หรือทูตสวรรค์ศาสนา islam แต่เราดูประวัติศาสตร์ของพวกนี้มีเยอะนะฮะที่ ท, ที่ที่ถูกจับฆ่าไปเนี่ยแม้แต่พระเยซูยังยังถูกจับฆ่าเพราะว่ายุคสมัยฮะ ยุคสมัยมันไม่ให้แล้วต่อมาพอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำสอนนั้นเยซูก็ถูกรู้ฟื้นขึ้นมาโดยท่านเปาโลแล้วก็เผยแพร่กันจนกลายเป็นศาสนาที่ที่ใหญ่มากกันนะฮะใหญ่เวลานี้คนนับถือมากกว่าศาสนาพุทธเองเห็นไหมยุคยุคสมัยเรื่องยุคสมัยนี่เป็นเรื่องสำคัญบางก็เหมือนกับที่เคย เล่าถึงว่าคติโบราณนะฮะคติโบราณแต่ ว, ว่าก็สืบเชื้อสายมาจากอินเดียที่เขาบอกว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันให้มีครบสามอย่างเนี่ยหาไม่ได้คือ ห, หายากไม่เดือดก็ไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งปัญญาจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกัน ถ้าบุคคลใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันบุคคลนั้นก็คือยอดคนจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเพรามีสามอย่างนะรูปงามมีความดีมีคุณธรรมสูงแล้วก็มีปัญญาแหลมคมหายากมากผู้เจ้าอยู่ในกลุ่มนี้คือสมบูรณ์หมดเลยสามอย่างเพราะนี้ก็คือตัวผลที่จริงมาเป็นตัวผลเฉย พอเราสืบสาวถึงเหตุว่าเหตุนั้นไม่ใช่ธรรมดามันมีการสะสมตลอดการยาวนานผ่านภพชาติเยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีบารมีคืออะไรบารมีก็คือการเก็บการสะสมความดีแต่เราสังเกตเราบางทีนี่ท่านท่านไม่ได้พูดมากอย่างในกรณีของเรื่องนักกุลบิดานักกุลมาดา ที่ท่านทั้งสองนั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมากเป็นันหนึ่งกันเดียวกันไม่เคยทะเลาะวิวาทกันเลยเพราะงั้นออชาติต่อไปก็ขอเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกดีจะได้หรือไม่พระเจ้ารับสั่งมาได้ถ้าหากว่าความเป็นความดีระดับเสมอกันนะใกล้เคียงกันแล้วทรงเน้นเพียง เพียงเพียงสี่ข้อไม่ใช่สิบนะฮะไม่ใช่ปัจจัยบา ร, รมีสิบแต่พูดแค่4ข้อเท่านั้นเองเรียกศรัทธาสมาคือมีศรัทธาสม่ำเสมอกันศีลสมามีศีลเสมอกันจาคสมามีเ จ, จ, จ, จ, จ, จ, จตนาบริจาคในสม่ำเสมอกันแล้วก็ปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันสี่ข้อมันอาจจะสงสัยไอ้บา ร, รมีทําไมทั้งสิบไอ้นี้ทําไมถึงสี่ คือจะลืมมากิเลสเราจะนับยังไงก็ตามนะฮะกิเลสที่จริงมันมีหัวอยู่หัวเดียวเกืออวิชชาแต่นั่นเองนับใต้ถึงกิเลสพันห้าตรหนักร้อยแปดบางก็สาวไปเจออวิชชาทุกทีเลยแล้วอาการที่ปรากฏเราก็พูดเรื่อง โ, โรคปวดลงทีงนี้เราลองมาดูธรรมสี่ข้อนี้เยกันศรัทธานั้นนี่ยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จัดได้ทั้งทั้งโลภะโุสาโมหะ ในชั้นแรกศรัทธาที่น้อมใจเชื่อเนี่ยเราให้ความสําคัญแก่คนมากกว่ามากกว่าสิ่งนั้นๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าตอนตอน้ตนๆเนี่ยมันเหมือนกับเราเรารับประทานยาเพราะเชื่อหมอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เชื่อยาเพระยาเรายัางไม่รับประทานแต่พอรับประทานเข้าไปเนี่ยอาการของโรคมันบรรเทาปัญญามันก็เกิดพิจารณาเห็นว่าอาการบรรเทาของโรคนี้มันก็สืบเนื่องมาจากยาที่รับประทาน ศรัทธาก็จะบ้านคงมากขึ้นมันจะเชื่อทั้งหมอทั้งยาในตรงนี้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยไปได้ความเครือบแคลงสงสัยเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของวิชาเมื่อมันลดก็สแสดงว่าปัญญามันเพิ่มในจุดนี้ตอนแรกเลย ข, จ, ขจัดเอาวิชาก่อนนะฮะขจัดขจัดโมหะก่อนพอถึงจุดหนึ่งบุคคลที่เราศรัทธาวัตถุที่เราศรัทธานั้นเราพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าสถาได้ทำหน้าที่กขจัดโลภะแล้วคนที่เราสตานั้นเราไม่โกรธก็แสดงขจัดโทสะส่วนศีนั้นแน่นอนนะฮะศีนั้นก็ขจัดโลภะโทสะโมหะที่เห็นได้ชัดแล้วแต่ข้อใดนะฮะจากขะนั้นขจัดโมหะก่อนมาความพิจารณาเห็นคุณของการเสียสละเห็นโทษของการไม่เสียสละแล้วเราก็สละไปเพราะสละเนี่ย เราเ็นว่าตัววัตถุเนี่ยมันมันมันเราไม่เสียดายก็แสดงขจัดโลภะในตัววัตถุตัวคนเราต้องไม่โกรธนะถ้าเราถ้าเราโกรธเราไม่ให้ก็แสดงว่าคนเนี่ยเราก็จัดโทสะได้ตรงนี้มันก็จัดโลภะโทสะมทวตัวปัญญานั้นไม่ต้องห่วงมันเป็นแสงสว่างมันขจัดหมดมันเป็นมันเป็นโคตรธรรมะนะฮะเป็นโคตรธรรมะเป็นสุดยอดของธรรมะก็อยู่ที่ปัญญา เว่าหล่านี้เราจึงเห็นว่าที่จริงแล้วเป็นปริยายของธรรมะเฉยๆพูดอะไรก็ได้นะเอาอะไรก็ได้แล้วเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติตานองการเดินการยืนการอะไรๆของเราเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นหลักส่วนหนึ่งจะเป็นตัวหนุนเห็นไหมเราเรายืนที่จริงไม่ใช่ขยับเท้าอย่างเดียวนะขยับเท้าอย่างเดียวเรายืนไม่ได้ ย่งอืต้องกระยับด้วยนะต้องกระยับไปหมดเลยต้องเคลื่อนไหวหมดทั้งตัวมันจะยืนได้แต่พอยืนขึ้นมาท้ามันก็เป็นหลักแต่มือก็ต้องช่วยนะฮะมือต้องช่วยในการรงตัวแต่มือเราเกิดตายเราก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีอะไรเข้ามาช่วยหลักก็แสดงว่ามันมีเหตุปจัจจัยมันมีตัวหลักแล้วก็ตัวหนุนที่ท่านใช้กำว่าเหตุปจัจจัย วามบารมีที่สร้างเนี่ยคือการเก็บการสะสมความดีการเพิ่มพูนความดีขึ้นสะสมกันมาเรื่อยๆไปในจิตใจของเราก็สะสมอยู่สองอย่างไงนะฮะอย่างหนึ่งจะเรียกว่าอาสวะคือสะสมความชั่วอีกนเรียกว่าบารมีก็คือสะสมความดีปัญหาว่าในชีวิตเราเราเก็บอะไรไว้มา ก, กลักษณะนิสัยพื้นฐานจิตเราก็จะออกมาในแนวนั้นได้มาก อย่างที่ท่านใช้พระเจ้าใชา้คาว่ายังเวเสวติตาดีโซคือคบห า, าสมาคมกับคนเช่นใดมันก็เป็นคนเช่นนั้นกับสิ่งใดมันก็เป็นเช่นเดียวกับสิ่งนั้นที่เราพูดถึงคนกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็มีติพลต่อความรู้สึกนึกคิดหรืาการเปลี่ยนแปลงของกดเขาเรียกว่าอาศวันปัจจัยกีการคบหา เพราันเรื่องบารมีกับอาัสาวะก็ที่จริงก็คือจิตมันคบหาธรรมะที่เราครบทำนะฮะคบทาฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วพอถ้าก็ทําฝ่ายดีมันก็เสริมสร้างบารมีคบทําฝ่ายไม่ดีมันก็เสริมสร้างอาัสาวะแล้วพวกนี้เวลาเกิดมันจะลดฝ่ายตรงกันข้ามโดยธรรมชาติของมานพอมาถึงบารมีสิบบารมีเขาเรียกบารมีสิบทัศเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าตัวหลักจริงๆมันมีอยู่สข้อเท่านั้นเอง มันเหมือนกับบารมใาีในนิกายมหายานนะเราจะเห็นว่าเขานับเยอะนะฮะบารมีมหายานเะนี่ยแต่บารมีมหายานปะจริมันก็มีแค่แค่หกข้อของเรานั้นมีบารมีหลักอยู่เพียงสี่แล้วก็ตอนนั้นก็เรียกอุปการะบารมีไม้ความมาเราจะทําอะไรก็ตามตรงนี้ต้องมีอยู่ด้วยเขาเรียกเป็นปัจจัยข้าสนับสนุนเบื้หลักก็คือก็คือทานบารมี ทานบา ร, รมีก็อาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราสลัดให้ทานแล้วเรากลับมาดูที่กิเลสนะโลกกดลงอย่ที่ว่านะเราจะเห็นว่าทานเนี่ยมันขจัดกิเลสหมดทั้งสามก่อดูตัวอย่างง่ายๆพวกวัตถุทานทั้งหลายที่เราให้มันมีสิ่งที่เราให้กับคนที่เราให้มันมีสองอย่างไงนะแล้วก็เจตนาในการให้สามอย่างต้องประสานกันถ้าไม่ประสานนี่ไม่ให้นะฮะ ถ้ไม่ประสานไม่ให้หมายความว่าคนเราต้องไม่เกลียดไม่โกรธของเราต้องไม่เสียดายและเราต้องมีเจตนาที่จะให้จึงจะเกิดการให้ขึ้นเพราะในตอนนี้วัตถุสิ่งของก็ขจัดตรณีขจัดโลภะคนเราก็ขจัดโทสะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ก็แสดงเราพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็โทษของการไม่ให้ แล้วก็ให้ออกไปแต่ตรงนี้ก็ขจัดโลภะโทสะโมฆะซึ่งเราจะเห็นว่าแล้วก็ประเภทของการให้ที่ท่านเรียงเป็นสามระดับระดับหนึ่งเรียกอภัยทานเป็นเรื่องนามาทำเป็นความรู้สึกไปในใจถ้าเราให้ได้ก็คือการสละโทสะความอาฆาตพยาบาทการจองเวรทั้งหลายก็เรียกอภัยนะฮะ แต่คนไทยเราไม่ค่อยเอาไปแต่ไรอาคารยาบาตเก่งแล้วก็การให้ธรรมะการให้เหตุผลก็เรียกว่าธรรมทานนะฮะก็เป็นการขาจัดโมหะทั้งของเราทั้งของเขานะฮะเพราะการการทําการมาเป็นทานในส่วนนี้จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ผู้ให้และแก่ผู้รับเรียกว่าเกื้อกูลนะแก่เราแก่เขา แล้วก็ขจัดโลกกวดดงก็เป็นบา ร, รมีที่ทำให้จิตใจคนมีความประนีตมีโลกัศน์ที่เบิกบานแจ่มใสคือมองโลกโดยปัญญามองโลกโดยเหตุผลมากยิ่งขึ้นศีลบา ร, รมีเราจะเห็นว่าพระโพธิศัตว์รักษาศีลรุนแรงมากเลยจนบางทียอมตายไม่ยอมเสียศีนนะฮะมันไม่ใช่ธรรมดา คนที่รักษาศีลแบบยอมตายไม่ยอมเสียศีลเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานทางบารมีนี่สูงถ้าไม่งั้นจริงแล้วมันแว่งนะฮะคือจิตใจมนุษย์เนี่ยังไงมันก็แว่งแต่การที่ท่านไม่แว่งท่านทนทานได้ทั้งๆ ท, ที่ท่านทำอะไรได้แต่ถ้าก็ไม่ทาอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการอดกัน้นการอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเนี่ย คนที่อดทนต่อคนที่อ่อนด้อยกว่าเราได้เนี่ยถือว่ายอดคนเช่นท่านอดทนต่อคนใช้ท่านได้อดทนเพื่อนฝูงท่านได้อดทนผู้บังคับบัญชาได้เนี่ยผู้บังคับบัญชามันอดต้องอดทนอยู่แล้วนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไรหรอกเพื่อนฝูงมันก็ต้องอดทนร้องปลดปลงกันอยู่แล้วแต่ถ้าอดทนต่อคนใช้ได้นี่เก่งมากคือจิตใจเราต้องเข้มแข็งจริงๆ แต่นงั้นตาปกติเราจะอดทนไม่ได้มันเป็นเป็นเป็นมาเป็นการวัดสภาพจิตใจของคนว่าตรงเนี้ยเราจะเอาความดีไว้หรือว่าจะช่วอย่างที่เขาช่วยแต่ช่วอย่างที่เขาชั่ ว, ว, วก็ช่วยไม่ได้ลักษณะกระแสสังคมการเลื่อนไหลความคิดทางสังคมเป็นเรื่องที่น่ากลัว เราสังเกตว่าในปัจจุบันเราดูแล้วเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเนี้ยทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ทำไมคนไม่มองถึงธรรมะไม่มองถึงผลกระทบที่มาถึงเราโดยตรงอ่านะเช่นการทำชั่วเพื่อได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเนี่ยนะฮะไอ้เงินทองเหล่านั้นที่จริงมันเป็นสาธารณสมบัติ ของใครก็ได้นะแล้วเราก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าบาปเนี่ยมันติดตัวเราไปบางกรอนที่ไปไปต่างจังหวัดไปพักในวัดหนึ่งมันเสีวเลยเห็นไะฝากุติเนี่ยฮะมันเป็นประตูทั้งหมดเลยประตูสาเร็จรูปเพดานในเป็นประตูหมดเลยนั่งนับโอ้โหอ มหาศาลไงไม่สักอย่างดีนะฮะไม่สักไม่สักใหญ่ด้วยแล้วก็ดีด้วยมาบ่นกระทรมผ่านในควางโบโอเล่นอย่างนี้ก็แย่เลยป่ามันก็หมดอ่ะเด็ก็รี่จิงวัดไปซื้อก็มานะฮะมาก่ามันชาวบ้านไปตัดชาวบ้านไปตัดไปทำเอาวัดไปซื้อไว้ ก็เจตนาจริงๆก็คือจะเก็บไว้เผื่อสร้างบุตินะฮะเอาเพดานไปทําฝาเอาไปเพดานไปทําประตูอันนี้ก็คือก็คืออะไรก็คือคือคนดี่เขาตัดก็ทําลายเนียคิดเรื่องที่เขาจะได้อะนี้แต่เรื่องที่เขาจะได้แต่ไม่ได้คิดถึงบาปกรรมที่ตัวเองและคนอนุชนรุดออกไปจะได้รับมันจะเดือดร้อนุดแรงกันขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าคืค้างสบายนะฮะ แต่ว่ามันก็ซากบาปจะน้อยก็เป็นมโมดกบาปที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องได้รับโอกาสต่อไปเพราะะน้นจิตสํานึกเหล่านี้ถ้าสํานึกขึ้นมาได้มันก็เกิดกลายเป็นการเสียสละกลายเป็นการรักษาสีคือสํารวมระวังความรับผิดชอบมันจะกระจายออกไปเรื่อยอ้ยังว่าสีนั้นจะเป็นฐานที่สละในรูปของบารมีอุบบารมีปรมัาบารมีพวกนี้ก็จะเรียงสามระดับ พระโบธิสัต์ทานรักษาศีลประเภทที่ปกติธรรมดาประเภทประเภทจะยอมเจ็บปวดทุกข์ทรมานเพื่อรักษาศีลไม่ได้ประเภทที่ยอมตายเพื่อไม่ต้องทำลายศีลอันนี้มันอยู่ที่ความคิดเนี่ยนะฮะ้หนาหลายคงนึกออกราชวงศ์สักยะตอนปลายเนะะี่ย เราพูดอาจจะพูดได้ว่าราชวงศกยะในพุทธสบายนั้นคือคือราชกุลพระอริยะเลยครอบครัวพทะเจ้าเป็นพระอระหันหมดเราสังเกตนะครับมมีอยู่สองครอบครัวที่น่าทึ่งมากคือครอบครัวภระสาริบุตรภระสาริบุตรนั้นพ่อเราเราเราเร า, เราไม่รู้ความเป็นมาท่านวังคันตานะท่านนางสารีเป็นพระโสดาบันนอกนั้นเป็นพระหันหมดแม้แต่หลานชาย ทั้งครอบครัวเลยไอ้ น, นี่เราจะเห็นอะไรศรัทธาสมาสีลาสมาจาขะสมาปัญญาสมาธิว่าตะกีนะฮะสี่ข้อเนี่ยมันทําให้คนทําบุญร่วมกันระดับเดียวกันแล้วมาเกิดอยู่ด้ยวยกันหรือเราไปก็ไปด้วยกันนะทิฏฐิมันเสมอกันนะฮะกับปรับความเป็นเสมอกันแล้วเราค่อนข้างใจเห็นว่านางสารีเนี่ยทิฏฐิมันห่างากับเพื่อนโอ้ยแกะทะเลาะกันลูกกว่าจะแก้ไขได้นะฮะก็คงจะไม่ น, อน้อยกว่าสามสิบปีนะฮะ ดื้อรัน้นรุนแรงโกรธลูกชายที่หนี อ, อกบวชเจอพระก็ด่าด่าพระฝากลูกมาเรื่อยๆไม่ใช่ด่าลูกฝากพระมาเรื่อยๆแต่ว่าด่าด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนะฮะแม่ด่าลูกเฉยๆเพราะงั้นจึงไม่จึงไม่มีบาปอะไรแต่แตท่านก็บรรลุเป็นโทด่าในตอนที่กษัตริย์วิถูพระยกกองทัพมาทําลายราชวงศ์สักยะเนี่ย มันเป็นการทางเลือกซึ่งเลือกได้สองทางคือจะต่อสู้โดยฆ่าทหารจากโกศลให้ตายไปหรือว่าจะยอมให้เขาฆ่าจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลน่ะจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลมันก็มีทางเลือกอยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องหน้าซึ่งมหาราชวงศสกยะเลือกเอาศีลแต่แสดงให้เห็นว่าถ้าท่านจะฆ่าในวันี้ตายหมด มันท่านจะยิงเอธ น, นูให้เฉียวเกราะให้เฉียวอะไรแต่ไรให้เสียบอยู่ตรงนั้นเสียบอยู่ตรงนี้แต่ไม่ถูกเนื้อตรงตัวคนเพื่อแสดงว่าพวกเธอเนี่ยถ้าจะจะฆ่าจะฆ่าตายหมดอะแต่ฉันไม่ฆ่าเพราะฉันต้องการรักษาศีลทําให้ทาหารเป็นจนํานวนมากในกองทัพเนี่ยไม่ยอมฆ่ากษัตริย์สกุลย์แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งก็ฆ่านะฮะก็ทํ า, าให้ตายไปมากเหมือนกัน นี่เราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นปรมามัตตบารมีแล้วมันมันไม่เอาแล้วชีวิตไม่กี่วันมันก็ตายอะ่ะแต่ถ้าเราฆ่าเขาเนี่เราตายจากการฆ่าคนในบาปมันมากเลยแต่ถ้าเขาฆ่าเราเนี่ยมันก็ตายเร็วขึ้นหน่อยอะนะอีกไม่กี่วันก็เหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันไอ้นี่มันกูอยู่ที่ความคิดว่าใครเป็นคนคิดอะ่ะคนระดับพระยาบกคนท่านคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนระดับปุตชนซึ่ง วงใหญ่ชีวิตเนี่ยเขาคงไม่คิดอย่างนั้นนะนะเขาคงไม่คิดอย่างนั้นแต่ชีวิตเราตั้งห้ากสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะฮะแต่เพื่อนจะฆ่าจะปกป้องรักษาชีวิตเอาไว้รักษาไว้ธรรอะไรไม่กี่วันก็ตายแล้วอยากแก้ฆ่าก็ฆ่าไปแต่ว่าไอ้หลบหลีกภัยอันตรายคงหลบหลีกแต่ไม่ถึงก็ต้องไปฆ่าคนเนี่ยนะเพราะถ้าฆ่าคนเนี่ยโอยมันบาปกรรมติดตัวเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อยู่ในความเชื่อในกฎของกรรมแต่ว่า พวกการส ะ, ส, ะสมบารมีในจริงมันเชื่อกรรมนะฮะไม่ไม่เชื่อกรรมก็ไม่สร้างบารมีแล้วเพราะตรงศีลตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในจริงพระพสต์สัตว์ทั้งรักษาศีลห้านะฮะไม่เลยศีลนึกซึ้งอะไรเราเราจะลืมาศีลห้าศีลแปดเนี่ยเป็นศีลคู่โลกมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติอระทจริงๆมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่โดยธรรมชาติโดยจิตสํานึกของคนที่ อาสัยประสบการณ์นะฮะสายประสบการณ์ต่างๆหินปัญหาต่างๆแล้วก็คิดค้นกันขึ้นส่วนจะเรียงลำดับอะไรก่อนอะไรหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไอ้ศีลห้าข้อเนี่ยที่จริงมันมีอยู่ทุกส่วนของโลกเรียงลำดับไม่ค่อยเหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะให้ความสําคัญแก่อะไรก่อนหลังเห็นว่าในในใ น, ในปาปราชิกสี่ของพระเนี่ยที่จริงก็คือศีลห้าแต่ว่าเรียงลาดับไม่เหมือนกัน เอามุสาวาทมาไว้ข้อที่สี่เอาเรื่องเพศสัมพันธ์มาไว้ข้อที่หนึ่งนะฮะเอาอธินาทานาไว้ข้อที่สองต่อกันเอาฆ่าคนซึ่งอยู่ข้อที่หนึ่งเนี่ยฮะมาอยู่ข้อที่สามแต่ที้จึงก็คื อ, คอก็คือกานนะคือปานาธินาการเมมุสาแต่ว่ามันก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นแนวของอภรรมแล้วข้อต่อไปก็คือเนคขมะ เนกัมมะก็คือการออกจากอำนาจของกิเลสจริงๆก็ทั้งกายทั้งใจนะฮะจริงๆทั้งกายทั้งใจแต่ก็ท่งจําแนกแสดงเอาไว้ประเภทออกจริงๆก็มีสามประเภทแต่ว่าทรงเกาะกลุ่มเป็นสี่นะฮะเกาะกลุ่มให้เป็นสี่ประเภทหนึ่งเรียกว่าไม่ออกทั้งกายทั้งใจที่จริงพวกนี้ก็ไม่ได้ออกบวชอะไรประเภทที่สองนะ่ะออกกายแต่ไม่ออกใจ หมายความมาร่างกายโดยรูปแบบโดยโครงสร้างก็อาจจะเป็นนักบวชอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นอะไรก็ไต่ก็ตามแต่ว่าจิตใจมันหมกมุ่นมุนวายเป็นวิจีชีวิตแบบโลกความคิดแบบชาวบ้านการกระทำแบบชาวบ้านการแสวงหาปัจจัยแบบชาวบ้านก็กลายออกจริงฮะแต่ใ จ, ใจไม่ได้ออกและบาปมากกว่าด้วยนะฮะ ก็ยันที่บอกว่า Reaper, เป็นพระเ น, นี่ยตีงใกล้นิพานก็ใกล้นร ก, กมากกว่าโยมเยะใกล้นิพานก็ใกล้กว่าแต่ใกล้นรกก็ใกล้กว่านะเพราะอะไรเพราะการกระทําของพระอย่างหนึ่งเนี่ยญาติโยมไม่ผิดชาวบ้านไม่ผิดทำอย่างนี้แต่พระผิดทาไมผิดเพราะเป็นพระเพราะในความความเป็นพระมันจะต้องขีดเส้นเอาไว้ว่าพระคิดได้ขนาดเนี่ยคิดได้ขนาดเนี้ยพูดได้ขนาดเนี่ยถามว่ารู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้ รู้ก็พูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้เพเพราะเราเป็นพระขีดเส้นเราอยู่ตรงนี้แต่นันเดงคือพูดได้คิดได้ขนาดนี้อันนี้ก็เรียกว่ากายยังไม่ออกก็ไม่ใช่ใจยังไม่ออกไม่แต่กายออกบางคนนี่ใจออกกายไม่ออกก็ตามก็ยังญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคือเราต้องยอมมาชาวบ้านเปน็นนันมากในปฏิบัติศีลธรรม มีคุณธรรมสูงกว่าพระเยอะแยะบางคนนะ่นะสูงกว่าพระบางรูปนะะมันจะสูงกว่าทุกรูปหรอกมีศีลมีธรรมห้ความหนักแน่นมั่นคงแล้ววัดวาก็ไม่เคยข่าวอะไรนะฮะกับความเป็นเพียรกันอยู่ที่บ้านนะฮนะําอยู่ที่ บ, บ้านแต่จิตใจก็มีการจางคลายไปของกิเลสลดละรลวงพระตรัสรู้ขาดทั้งไป พอ ต, ตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันออกจากอำนาจกิเลสแทนใจไม่มีกิเลสถูกปรุงแต่งถูกควบคุมมากเกินไปจนถึงจุดหนึ่งก็คือออกทั้งกายทั้งใจอันนั้นก็จุดสมบูรณ์นะฮะจุดสมบูรณ์รณของชีวิตพรหมจารย์ถึงกาวามหมายว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็เป็นนักบวช ด, ด้วยนะเป็นนักบวช ด, ด้วยแต่ว่าเวทีสามนั้นเป็นถึงพระอนาคามี ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบวชอะไรแต่ว่าปฏิบัติพัฒนาจิตใจจนกิเลสลดน้อยถอยลงไปมันก็ใจก็ออกจากอานาจกิเลสไปเรื่อยเป็นลักษณะของดอกบัวที่อยู่เกิดจากโคนตมแต่ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโคนตมถึงจุดหนึ่งไนะถึงจุดหนึ่งก็ที่จริงเมื่อก่อนมันก็อยู่ที่โคนตมก็ยกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดจะไม่แปดเปื้อนด้วยโคนตม เพราะเนมาจึงเป็นตัวลดทั้งโลกพุทเป็นตัวรูปแบบนะเป็นตัวรูปแบบเป็นตัวโครงสร้างเป็นวิถีชีวิตที่คนสามารถเลือกได้ทั้งเป็นพระเป็นฆราวาสจะเอายังไงก็ได้นะเอากายออกใจไม่ออกก็ยังดีหรือใจออกเราไม่มีโอกาสจะบวชออย่างญาติโยมที่เป็นผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสที่จะบวชแล้วก็ที่จริงก็ไม่จําเป็นนะฮะบวชมากๆไม่มีกุติอยู่ เออ่ราก็บวชที่ใจเราหรือว่าบวช่างกายทางใจซึ่งก็มีอยู่จํานวนน้อยเป็นยอดแหลมก็เจดีย์เฉยๆแล้วก็เป็นเ่นี้มาทุกทุ ก, ท ก, ทกสมัยต่อไปก็เป็นพวกปัญญาไอ้ น, นี่ก็สุดยอดนะฮะสุดยอดของธรรมะปฏิบัติก็มาที่ปัญญาในตรงนี้เราจะเห็นว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดี นะการออกบดก็ดีด้วยการพัฒนาปัญญาก็ดีเราต้องมีสัจจะเราต้องมีเมตตาเราต้องมีขันติเราต้องมีความมั่นคงภายในใจเราต้องมีอุเบกขาอะตัวนี้พวกนี้จึงเป็นอุปการะสนับสนุนตลอดก็เรียกว่าเป็นอุปการะบารมีมีอยู่ตลอดหมายความว่ า, าเราจะเห็นหรือไม่เห็นที่จรงเขก็มีนะมันมีแบบอะไรอะ่ะมันมีแบบคล้ายๆกับ เือนนะเนี่ยนะคืออะไรต่างๆเตาเ น, นี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้มันก็มีก็เรียกว่าตะลอได้ดนะหมาวมันก็มีมีทรายมีหินมีเหล็กกระท่านันนะ้นฮะแต่จริงมันมีน้ำมอนะฮะจริงมีนม้นํำฮนะถ้าไม่มีน้ํามันมันมันก็ยุ่ยหมดเลยแต่น้ําเราเห็นไหมเราไม่เห็นแต่ไม่เห็นน้าแต่จริงมันก็มีน้ำนะ ธนาคารสนถะานที่อะไรก็ตามพอน้ําหมดมันก็ยุ่ยหมดเลยผู้บารมีเหล่านี้มันจะแฝงอยู่เราไม่พูดนะฮะเราเราไม่จําเป็นจะต้องพูดที่จริงก็ก็มีขเขาเช่นคนให้ทานนะัขาาาัตตจจะตั้งใจจะให้ทานขาาาัตตจะขี้เกียจให้แล้วจะได้จะได้ของขี้เกียจเดินะนะตั้งใจเอาไว้เยอะนะฮะตั้งใจเอาไว้ เสร็แล้วก็ล้วงมันมาจากกระเป๋าพอเริ่มจะนับชักเสียดายดีก็ตั้งใจจะให้สักร้อยดึงไปดึงมาอย่างเหลือสิ บ, บาทค่อยทํำมาหลังนี่ป่าจะตางค์อย่างเหลือน้อยเดี๋ยวจะไม่พอจ่ายปลายเดือนเอาไม่ประกดเราไม่ได้ทำไเนี้ยสัจจะมันเสียวิญญาจะมาให้วิรยิะรยะบารมีความเพียรพยายามพวกนี้ต้องมีตลอดจะมีตลอดทุกเรื่องที่เรารักษาศีลนะฮะท่านเราสังเกตแต่จริงๆเราจะเห็นธรรมะอยู่อีกเยอะแต่เราไม่พูดเอง ในตรงความเป็นคนรักษาศีลเมื่อก็มีทั้งสัจจะเพราะอะไรเพราะเป็นสัจจาวาจาที่เราสมาทานศีลเราต้องมีวิริยะคือต้องพยายามรักษาศีลในขณะรักษาศีลต้องมีขันติอดกานอดทนต้องมีอธิษฐานะจิตใจจะต้องมันง่นคงเราจะต้องมีเมตตาต่อคนทั้งหลายไม่งั้นอาจจะไปละเมิดต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินหรือต่ออะไรเขาก็ได้และจะต้องทําใจเป็นกลางได้ศีลนั่จึงจะอยู่ได้แต่ศีลมันกแ็แข็ง ตีนก็แกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆลึกๆเนี่ยฮะมันไม่จําเป็นจะต้องละเมิดไม่จําเป็นจะต้องไปหยิบของเขามาจึงถือว่าเป็นบาปเพราะแม้แต่เพ่งมองด้วยความอยากได้เนี่ยละโมบโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมันก็เป็นบาปแล้วก็แสดงว่าศีลเศร้ามองสมัยชาวบ้านเนี่ศีลสมองนะฮะแต่พระในท่านปรับอบัติแล้วนะปรับอบัติแล้ว เพ่งมองด้วยความอยากได้เพ่งมองด้วยความโกรธนี่นร่มปรับประบาดฮลสมบัตพระปรับประบัดทุกกฎนะฮะทุกกฎก็ทุกกดถ้าแปลอย่างนแปลว่าทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่เหมาะทำไม่ควรคิดไม่เหมาะไม่ควรพูดไม่เหมาะไม่ควรแต่สมบัติชาวบ้านไม่ถึงก็ปรับข่ายศีลแต่ถามมาจิตใจเศร้าหมองไหมก็คือเศร้าหมองเห็นว่าจิตใจก็คือเศร้าหมอง สมองก็คือสมองเพียงแต่ว่าเป็นศีระดับล่างเขาไม่ปรับเท่านั้นเองบาปไหมก็บาปบาปมันอยู่ตรงไหนบาปอยู่ที่เพราะเป็นอกุศลกรรมบุอกุศลกรรมบุไม่ได้เกี่ยวกับประกับชาวบ้านมันก็เหมือนกันทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยก็ถ้าจิตใจขุดมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ถือว่าบาปได้แก่ดังนั้นตรงเนี้ยจึงต้องมีต้องใช้ความพยายามทำทำได้บางและไม่ได้ปาง เราเห็นว่าอะไรที่เรียกว่าหน้านองในน้ำตากพยายามที่จะทำให้ได้ในการพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเราไม่ได้จะเอาอย่างไงอะเมื่อวานก็ไปอัดเทีโทบรทัศน์สรู้สึกก็จะออกพ่งนี้ คือตั้งข้อสังเกตว่าเมืองไทยในยภาพมันเบลอๆในขณะที่เราบอกสยามเมืองยิ้มดินแดนแห่งภาคการสาวฟัดแต่วก็มีภาพของความรุนแรงต่างๆภาพของอาชญากรรมข่าวคราวเกี่ยวกับการตกเขียวข่าวคราวเกี่ยวกับโสเพณีเด็กข่าวคราวเกี่ยวคนของเราไปตกค้างในญี่ปุ่นเป็นแสนเลยะเนี่ยมันเรื่องอะไร พอเพื่อนพูดถึงแล้วก็โกรธแต่เราก็ไม่แก้ปัญหาของเรานังสือพิมพ์มาเลยลองแมทไม่ใช่นังสืออดิจชทัลีลองแมทอีกเขียนข่าวก็โกรธประท้วงเขาด่าเขาแต่เราก็ไม่แก้ปัญหาของเราดูไม่รู้จะเอาอะไรเป็นภาพที่เบลอคือไม่ชัดว่าเป็นดินแดนแห่งผ้ า, ากาซาพัดจริงหรือเพราะบางทีผ้ากาซาพัดก็ถูกตำรวด จ, จับเหมือนกัน ชักยุ no books. Books taught, ่งยุ่งชักยุ่งยุ่งยังไงกันไม่รู้คือไม่ไม่ภาพอะไรน่าจะทําภาพเหล่านี้ให้ชัดว่าเราจะเป็นอะไรเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นดินแดนแห่งภาคการสวัสดที่มีความสงบแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองให้ได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสมันก็ต้องลดลงไปแหละ ความรุนแรงต่างๆ ต, ต้องลดลงไปโดยอาศัยการพัฒนาปัญญาขึ้นมีความเสียสละแบบทานนะฮะมีการสำรวมระวังแบบศีลนะมีการงดเว้นออกจากอำนาจความชั่วอย่างนี้นิฆมะโดยมีปัญญาในข้ากำกับแล้วก็มีพวกนี้ข้าสนับสนุน ทีนี้พอพ อ, พอพอบทปัญญาระดับพัฒนาเราจะพบว่าก็ต้องอาศัยการเรียนรู้คนไทยเราถ้าเราลองสังเกตท่รับทั้งหลายลองสังเกตบ้องลังมุมก็ดีหรืออ ะ, รอะไรอะไรขอคิดด้วยคนก็นดีอะไรแต่ไหนที่ชอบพูดกันนะชอบพูดกันแม้แต่จอสอร้อยนะฟังดูเนี <S <S 2> <S 2> ่ยเวลาพูดนอกจากการจราจรแล้วมั่วเรื่อย คือชอบพูดอะแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลในเรื่องในตัวเองเยอะคือกว่าจะพูดอะไรมันต้องศึกษาเยอะนะฮะพูดไปเล่นไปเวลาใครมาถามอะไรเรื่องเราไม่รู้บอกขอศึกษาถูกกันบันทีเราต้องไปหาเอกสารต้องลงทุนหาบันทีต้องลงทุนซื้อหนังสือเพื่อจะหาเรื่องเหล่านี้นะฮะลงทุนไปสี่สาหรอยบาทมานั่งค้นพยายามหาพยาามหาหลักตรงนี้ให้ได้เนะี่ยมันไม่ใช่นิ่งๆราจะพูดได้ที่ไหน แต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ชอบพูดนะฮะเรียนน้อยแต่พูดมากเราสังเกตว่าเรียนน้อยคิดน้อยนะฮะแต่พูดมากถ้าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเขาพูดเกินจริงนะะพูดพู ด, พ, ดพูดเกินที่มันเป็นจริงความจริงอยู่ตัวเนี้ยเราพูดเกินไปละซึ่งว่าจริงมันไม่ถึงตรงนั้นอย่างที่บอกว่าความจริงที่จริงมันก็แนวคล้ายๆกับรายงานอุณหภูมิ มันเป็นยังไงอ่ะตรงนี้เย็นขนาดไหนร้อนขนาดไหนนะประลอดมันขึ้นยังไงก็บอกอย่างนั้นเนะ่บอกเท่านั้นเนะี่ยความจริงขนาดนี้มันมีเท่านั้นเนะี่ยแต่ไม่เราพูดเกินไปพูดเกินสัมผัสคือพูดเกินประสาตสัมผัสเพราะไม่รู้หรือเพราะต้องการความสะใจอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีลักษณะอย่า ง, งนี้านปนัญหาความสับสนรุนแรงนะฮะจึงเกิดขึ้น แล้วก็เราลองดูข้ อ, ขอเสนออะไรที่เขาเสนอมันสีข้อนะทําไม่ได้เราไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าออย่างนี้มันต้องใช้เวลาศึกษาใช้เงินใช้โอ้มันเยอะแยะเลยเวลาอีกนานนะนะทําได้ขนาดนี้ยี่สปีทําได้หรือเปล่แต่มันบางข้าไปทำไม่ได้เดี๋ยวไม่งั้นจะอดข้าวตายนี่นี่น ค, คือคือคือเป็นความคิดที่แปลกมากๆเลยว่าเราไม่ได้มองว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการมันเป็นระบบ ไม่ว่าจะนึกจะเอาใจตัวเองแลือจะทําอะไรได้ตามชอบใจแล้วก็เรียกร้องพระเดชเรียกร้องประชาชิที่ปฏิเสธทางเดียวเองพระเดชการสุดขั้วนะฮะความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดพระเดชการคือสั่งการเลยต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นฉันฉันฆ่าตัวตายเลยเอามันก็พระเดชการแล้วก็เรียกร้องประชาชิปไิเสนั้นนั้นคือคือสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาจริงๆปัญญาไม่อยู่ในจุดที่คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้บริหารตัวเองได้ ขจัดโลภะไม่ได้ขจัดโทสะไม่ได้ขจัดโมหะไม่ได้เพราะปัญญาเนีเป็นแสงสว่างที่ เ, เรื่องเรเป็นมืดเนี่ยนะเป็นมืดเพราะงั้นเมื่อเธอบอกว่าสว่างเนี่ยมืดต้องไม่มีสิแต่แต่เธอบอกสว่างแต่เธอมืดเอกินนะมันมืดเอเกินเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นตัวหลักของบารมีทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะปัญญาบารมีเนี่ยเป็นตัวหลัก เราจะเห็นว่าทั้งการพัฒนาปัญญาการสร้างปัญญาการรักษาปัญญาการใช้ปัญญ า, าจะต้องมีพวกนี้เป็นฐานอีก9้าข้อเนี่ยฮะอีกเ้าข้อเนี่ยจะเป็นฐานแต่พวกฐานพวกศีลพวกเนคขมะพวกกันติพวกสัจจะพวกวิริยะพวกอธิฐานอะเนี่ยเข้ามาเป็นหลักตรงนี้จึงเป็นเบื้องหลังของการเกิดดี เบ้องการเกิดดีของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชาติตะไม่ใช่ไปใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องลอยๆนะฮะมันมีเหตุอยู่เบื้องหลังมหาศาลแล้วถ้าใครก็ตามที่สร้างบารมีระดับที่ใกล้เคียงกันเราก็พบในประวัติที่เราเคยพูดเรื่องอิตตะคะสาวกนะฮะที่ท่านแสดงว่า พระเจ้าของเราเป็นพวกปัญญาธิกะนะคือสร้างบารมีเร็วหน่อยเสียสงไขก่กระแสงกลับพระพุทธเจ้าบางพวกตั้งใช้ตั้งสิบหกสงไขยหรือแปดระสงไข่พระเจ้าเราน้อยกว่าเพื่อนนะะพราะใช้ปัญญาธิกะพวกระดับพระปัจเจกาพระพุทธเจ้าเนี่ใช้ใช้เกือบครึ่งนะฮะเกินครึ่งไปหน่อยมาความมาสองสงไข่กับกระใมแสงแสงกลับกว่า พระมหาสาวกภาษาบุตรโมกลารนะไปใช้ครึ่งพระสาวกทั่วๆไปก็ใช้หนึ่งสงไขยกระแสนับเห็นมาฮะมันก็ลดลงหนึ่งในสี่สร้างบา ร, รมีหนึ่งในสี่ดนั้นเดงกก็บรรลุมรกลเป็นพ ร, ระอประหานได้นะแต่ถ้าพู้เจ้าต้องเพิ่มอีกสามเท่าตัวจึงจะสามารถบรรลุจึงจะสามารถตรัสรู้ได้ เพราะฉั้นถ้าเรามองเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะเมื่อสร้างบารมีมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรามองถึงเหตุนะที่ทรงสร้างบารมีด้วยความมุ่งหมายต้องการจะศัตรููเป็นพระพุทธเจ้าผู้ช่วยโลกพระองค์ต้องสูญเสียเวลาหมุนบนใน ส, สารวัตรอย่างน้อยก็สาวะสงไข่กระแสนงกลับก็ไม่แสนกลับ แต่ถ้าพระองค์ต้องการจะบรรู้ไม่ใช่ต้องการจะบรรลุมางคลเป็นพระอาจารย์ท่านก็บรรลุได้ตั้งแต่เป็นชุมเมธดา บ, บุตแล้วนะฮะเพราะตรงนั้นบา ร, รมีมันก็ถึงเป็นก็ เ, เรียกว่าสาวกภูมิเป็นภูมิของพระสาว ก, กได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่สร้างบา ร, รมีตรงนี้จะต้องมีเป้าใหญ่นะฮะเป้าเล็กๆไม่เอาอะฮะเป้าเล็กๆ ก, ก็มุ่งเฉพาะตัวไปเลย มุงเกิดสวรรค์มุ่งเกิดเป็นพระมุ่งบรรลุมุ่งผลเป็นพระหรันเป้าเล็กใช้ความพยายามน้อยแต่ว่าเป้าใหญ่มากต้องการรทธิขนสัตวนะ์เพื่อข้ามโอชะสงสารสาครทํางานด้วยความเหนื่อยยากลําบากก็แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์แสดงหเห็นถึงพระบริสุทธิ์คุณที่มีเป็นฐานนะมีเป็นฐานไม่ใช่สมบูรณ์ตอนเป็นพระพุทธเจ้หมายความเป็นฐานอยู่แล้ว และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเขาเรียกว่าอัธยาศัยของมาบุรุษนั้นเป็นอัธยาศัยที่มากด้วยกรุณณามหาบุลจึงจึงเป็นคนที่มองทุกของคนอื่นเหมือนทุกตัวเองนะฮะความคิดแบบมหาบุรุษคนอื่นจะคิดไม่ค่อได้คนธรรมดาสามัญที่ถ น, นอมตัวเองเนี่ยเขคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยยากลําบากก็ยุ่งยากอะไรกับเข า, าไปเดือดร้อนอะไรกับเขานั่นคืออัธยาศัยของมหาบุรุษคบอกว่ามหาบุษจึงไม่ได้หมายถึงพระไม่ได้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะฮะเขาใช้คํารวม เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละเขาเรียกอัธยาศัยมาบรุษคือมีพื้นฐานของการุณาวันวันประสูติของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวันที่จะพุทธจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์แล้วก็มีการกระทาสักการบูชากันในโอกาสวิสาขบูชาที่เคยปฏิบัติกันมาโดยลำดับสมมติวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาแบ น, นี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุตรในธรรมจงมีแต่ท่านสาธาชนทลายโดยตัวกันทุกท่านเถอด